นับจากวันนี้ก็คืออีกสองวันเท่านั้นเองก็จะถึงวันมาคาบูชาซึ่งเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยได้แสดงโอวาทปฏิโมะซึ่งก็จะมีเหตุการณ์ที่สําคัญที่พวกเราท่องจํากันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะว่าวันมาคบูชานั้นมีความสําคัญคือเป็นวันเพ็ญเดือนสแล้วก็เป็นวันที่ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกแล้วก็มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งสิ้นที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ถึงจำนวน 1,250 งรูปมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะก็เช้าวันนี้ก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำรสการพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนท่านพระอาจารย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการรีเก้นปฏิบัติธรรม ตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะแล้วก็จะมารับฟังในรายละเอียดของโอวาทปฏิมโมกอะไรค่ะว่าสิ่งที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงวางเหมือนกับเป็นกฎระเบียบหรือว่าอะไรต่างๆนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัส ก, การพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบนมัส ก, การเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะสําสหรับโอาวาทปฏิโมกนี่อเท่าที่โยมทราบก่อนที่จะเข้ า, ารายการนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เกลื่นให้ฟังว่าสําหรับโอาวาทปฏิโมกนั้นจะประกอบไปด้วยหลักการสามอุดมการสี่แล้วก็มีวิธีการหกวิธีการด้วยกัน อ, อันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้สักษาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบในรายละเอียดกันเลยเจ้าคะ่ะเริ่มด้วยหลักการสามก่อนเจ้าคะ่ะก็จะพูดถึง ถ, ถ้าจะจริงตามลำดับนะคุณเตือนใ จ, จว่าอะไรอะไรมาก่อนเราต้องเข้าใจเรื่องของอุดมการก่อนเจ้าค่ะแต่ว่าอุดมการณ์ของคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าอุดมการณ์ในการที่จะทําให้ธรรมาจักรเนี้ยหมุนไปได้เนี่ยเรามีอุดมการณ์อยู่สี่อย่างเจ้าค่ะนี่คือที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันนั้นอันดับแรกนี่คืออดทนอดทนอดทนเจาให้ดีอดทนหลายอดทนนะคะอดทนฟังไปด้วยแล้วก็อดทนทําไมอดทนเนี่ยเป็น สิ่งที่เราจะต้องใช้ในการที่จะลุยๆไปได้เจ้าค่ะเอาพูดถึงนักกีฬานักกีฬาที่จะวิ่งมาราธอนก็ตามจะวิ่งธรรมดาก็ตามจะไปไหนเนี่ยถ้าเขาอดทนนี้ไม่ไม่ต่อสิบเก้าแลกเจ้าค่ะถ้าไม่อดทนนะเจ้าค่ะถ้าอดทนกิโลเมตรที่สามผ่านไปได้อดทนกิโลเมตรที่สาน่ะคุณไปกิโลเมตรที่สิบได้อดทนกิโลเมตรที่สาิบได้คุณไปอดทนกิโลเมตรที่สีิบได้เข้าเส้นชัยได้เจ้าค่ะแล้วมันก็อดทนอันเดียวกันน่ะไปเรื่อย น้ำอดทนนี่มันมันใช้ยิ่งใจยิ่งหมีิงใช้ยิ่งเกิดรเราพูดถึงความอดทนอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อตอนก่อนๆนู้นอยากจะพูดอีกซ้าอีกนิดในในประเด็นตรงนี้ว่าความอดทนกับความเพียรเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราอดทนแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่เดินอยู่ในมารคด้วยอดทนเนี่ยจะเป็นผู้ที่งดงามสงบเงียบด้วยคือหมายว่าเราเห็นคนคห น, นึ่งเนี่ยนิ่งๆอยู่เนี่ยนะเออมันก็ในสถานการณ์ที่แบบบุ่นวีุ่่นวายเนี่ยเราจะพบความงามของบุคคลนี้ว่าเขาเออนิ่งแฮ มันจะมินิ่งแบบงดงามด้วยความนิ่งอ่ ะ, ะคุะจะใจนีอ้ออเนาะว่าแทนที่จะวุ่นวี่วุ่นไม้กระโตกกระตากขึ้นมายกมือยกไม้อ่าแหกป่าวอกแวกเนี่ ย, ยะจะไม่งดงามเลยเจ้าค่ะอืมะจะดูน่าเกลียดใช่เพราะฉะนั้นคนที่อดทนเนี่ยจะงดงามเพราะนินสมณะเนี่ยคุณเป็นปูนิ่งคุณเป็นจะนิ่งอยู่ได้คุณต้องอดทนเนาะซึ่งตรงนี้พระเจ้ายังยังหมายถึงไอ้บุคคลต่างๆที่คุณคิดว่าคุณจะไปช่วยเผยแผ่ศาสนาด้วยอารมณการ์คุณก็มีอุรมณการนี้ ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปช่วยพระเาเหมือนธรรมาจักแล้วเนี่ยเป็นธรรมทูตรหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเ อ, อเป็นคนที่อยู่ในต่างแดนต้องการจะแหมคนอื่นเขาก็นับถือศ า, าสนาอื่นหมดเลยไอ้ฉันนับถือศาสนาผู้อย่างเดียวคุณทําไงคุณต้องมีอารมณการนี้คุณต้องอดทนทนไปเลยไม่ต้องห่วงอะไรทนไปกทนนี้ที่เราพูดถึงก็จะมีแบบทนแบบลําบากกับทนแบบสบายก็มีนะคุณเตือนใ จ, นนจ ค, คือหมายความว่าทนแบบที่ต้องเป็นปฏิปทาแบบทุกข์ขาปฏิปทา คนแบบที่ต้องเป็นแบบสุขขาปฏิปฏาทาต่างกันยังไงคือเราอาจจะเฉสังเกตเห็นเด็กที่เขาหรือผู้ใหญ่ก็ตามเวลานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ย น, นั่งได้สามสี่ชั่วโมงนะไม่มีเวลาแต่พอนั่งนิ่งๆเฉยๆเนี่ยในสิบนาทีเปลี่ยนท่าละชุกค่ะหรือนั่งกินเล่าอย่างเงี้ยชุกค่ะเดี๋ยวมันมันได้เป็นชั่วโมงแต่ถ้าพอนั่งมันนั่งสมาธิอย่างเงี้ยสิบนาทียี่สิบนาทีไปละเคล็ดละชุกค่ะแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะชุกค่ะซึ่งเรามามองตรงนี้เราพบว่า บุคคลที่สามารถทําจิตให้นิ่งอยู่เนี่ยนะเขาก็จะอไม่รู้สึกจะต้องปวดต้องอะไรจุกค่ะซึ่งเป็นความอดทนชนิี้ว่าเป็นสุขขาปฏิปทาอืมจุกค่ ะ, ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ตรงที่มันเจ็บจิตของเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงจิตต้องทนแต่จิตของเขาไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่สมาธิอย่างคนที่เล่นเกมอย่าง น, นี้นะเ <จบ S 2> ด็ก<ด><ๆ>ที่เล่นเกมเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาไม่กระดิกได้ทาไมเขาไม่ขยับได้แล้เพราะว่าจิตของเขาไปอยู่กับเกมไปอยู่กับตาอยู่กับหู นะถูกดึงไปทางนู้นแล้วจิตมันไม่มาได้อยู่กับขาไม่มาอยู่กับหลังจึงไม่รู้สึกปวดหลังปวดขาจนกระทั่งเลิกเล่นถึงก็รู้สึกแนะเช่นเดียวกันคนที่นั่งสมาธินะคือคนที่นั่งสมาธิเนี่ยจิตเขาอยู่ในสมาธิลึกลงไปเนี่ยเขาไม่มารู้สึกเจ็บไม่มารู้สึกปวดเพราะว่าจิตเขาไม่ได้อยู่ที่ขาใช่ไหมคืออย่างงูเนี่ยมันไม่ปวดขาเพราะมันไม่มีขาเพราะฉะนั้นถ้าในตอนนั้นมีนาทีนั้นเราไม่รู้สึกว่าเรามีขาเนี่ยคือคุณก็ไม่ปวด ซึ่งนี่คือมีความอดทนแบบสุขขาปฏิปทาคือเข้าสมาธินั่นเองอดทนอีกแบบหนึ่งคืออดทนแบบอทุกขาปฏิปทาคือคุณจี้เขาไปเลยจี้เข้าไปเลยคือหมายความว่าคุณเอาคุณปวดใช่ไหมคุณก็เอาจิตคุณไปจ่ออยู่ที่ตรงปวดอือใช่ค่ะอ่าอันนี้มีอีกวิธีหนึ่งคือปวดตรงไหนก็จิตไปจ่ออยู่ตรงนั้นไปตรงนั้นเลยทําไมจ่อเพื่ออะไรให้เห็นมันไม่เที่ยงอือใช่ค่ะเห็นมันไม่เที่ยงเพื่ออะไรจะได้ปล่อยวางได้อือใช่ค่ะจะได้เบื่อหน่ายคลายกํำไบความปวดในสตี อซึ่งตรงนี้คือความอดทนแบบที่สองทีนี้ผู้ชาพูดถึงตรงเนี้ยคืออดทนทั้งสองแบบเลยแหละถ้าไม่คุณเข้าสมาธิลึกไม่สนใจอะไรคุณนิ่งอยู่โดยที่ไม่รู้สึกอาจจะต้องไม่เกลียดหรือกังวลหรือไม่พอใจอะไรใช่ค่ะนนในขณะเดียวกันก็หมายถึงความความออดทนอย่างที่สองคือแบบทุกข์ขาปฏิปาทาบางทีมันเหมือนกับถูกกดขี่บีบคั้นหนักมากๆเหมือนอัดอยู่ในกระป๋องกระป๋องเราก็ต้องทนไปนกขณะนั้นก็มีอืมซึ่งเป็นทั้งสองแบบใค่ะ ออุดมการ์ขั้นที่สองที่ต่อไปนะคืออุดมการในการที่จะให้ไปถึงนิพพานนิพพานคือความดับไม่เหลือแห่งทุกความดับไม่เหลือแห่งทุกคุณคุณเถียงกันใช่ไหมคุณเว่ากันใช่ไหมในนิพพานไม่มีการว่ากันคําพูดก็ไม่มีในนิพพานคุณจนเหรอคุณไม่มีเงินเหรอในนิพพานไม่มีความจนแล้วก็เงินก็ไม่มีในนิพพานมันดับไปคุณมืดเหรอคุณไม่มีแสงสว่างใช่ไหม คือความมืดก็ไม่มี น, นิพพานแสงสว่างก็ดับไปเหมือนกันเราพูดถึงความสุขเป็นโรคเหรอป่วยใช่ไหมความป่วยความเป็นโรคก็ไม่มี น, นิพพานถึงหรือไม่เป็นที่ดับของความทุกข์ทั้งปวงไม่ไม่เรียกว่ามีความสุขอย่างสูงสุดไว้เงินเถ<ธ>อะใช่ไ้า <นะ S 2> ค่ะเาทีนี้มันดับเนี่ยมันมันดับจริงๆดับแบบเรียบไปเลยนะเรียบไปเลยในที่นี้ก็คือว่าแม้แต่ความสุขที่เราคิดว่าสุขๆกันเนี่ยนะ มันมีความทุกแฝงไงความทุกแฝงของความสุขที่เราพูดกันเนี่ยก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างบางคนคิดว่าอยู่สวรรค์จะมีความสุขเอามันก็มีความทุกตรงที่ว่าเราก็ตกสวรรค์ได้แต่มันมีคนรวยๆฉันมีเงินมากจริงๆฉันคิดว่าฉันจะมีความสุขเพราะฉันมีเงินมากให้เงินมันก็หมดได้นะค่ะอ๋อโอ้ยเสยเงินไม่หมดเราใช้เงินฝากในธนาคารอย่างดีกินแต่ดอกตอนเนี้ยคุณดูคถ้าคุณมีลูกเออลูกเขาเรียกว่าลูกเปรตอ่ะ ลูกที่ไม่น่าพอใจลูกล้างผานออี่จ้ะลูกล้างผานั่นมันมาเอาเงินเราไปหมดได้เหมือนกันเจ้ค่ะอแล้วประเด็นที่สาคัญนะคือถ้าเราตายคือไม่มันจากเราก่อนเราก็จากมันก่อนเจ้าค่ะอไม่ใครจากใครก่อนละ่ะเพราะฉะนั้นมันเสื่อมไปได้ตรงนี้คือมันเสื่อมไปจากชีวิตของเราได้เจ้ค่ะไม่ชีวิตของเราก็เสื่อมมาจากมันเนาะแล้วสมบัติอะไรมหาสารที่คนเขาพูดพูดกัน ม, มาสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันหาไม่มีแล้วเจ้าค่ะหรือไม่หามีก็ ร, รู้ใครซ่อนไว้ไหน ซึ่งขึ้เราไม่รู้เราไม่ได้ไปมีข้อมูลซึ่งมันมันมีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาแต่พระเจ้าจึงให้สแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมแตพระองค์เองก็เหมือนกันนะตอนที่ยังสมัยเป็นโพลิสัตย์อยู่นะได้สแสวงหาความสุขชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าไม่รู้ว่าสุขนี้อยู่ที่ไหนก็สแสวงหาไปสแสวงหาไปอะไรที่ไม่แก่ไม่ตายเราจะหาเราจะเอาแตก็ไม่พบอะไรจรึงระทั่ง ม, มาออกนอกวงังออกนอกวังหาอยู่ข้างนอกตามป่าตามเขาตามทางจงกรมไหก็ไม่เจอ นะหาในอาหารบัชจนิดที่กินแ ล, ล้วก็สิ่งที่ไม่ต้องกินก็ไม่เจอจนกรทั่งามาหาในจิตนะคนไปค้นมาคนไปคนมาก็มาพบทางสายกลางตรงนี้นะนั่นคืออริยมรรคแปดแล้วก็ทําให้ถึงจุดที่เรียกว่าความสิ้นกรรมได้นั่นะคือนิพพานเหมือนกันชุกค่ะตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจให้ให้คืออย่างนักพยายามเข้าใจซ ะ, นะว่าแม้กระทั่งบุญแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยก็มีโทษของเขา โทษของเขาไม่ใช <Gibbs. S 1> <Cruise. Force. S 2> ่ว <groove>. <Gee Stupid>. ่าคุณไม่ควรทํานะคุณควรทํานะจุกค่ะคุณควรทําคือบางคนไปเข้าใจผิดคุณเตืนใจว่าอย่างไออความทุกข์อย่างเงี้ยความทุกข์เนี่ยเราต้องไม่อยากให้มีความทุกข์ใช่ไหมคุณก็พยายามเอาความทุกข์ออกละความทุกข์ซึ่งมันมันผิดความทุกข์นี่ไม่ใช่ของที่เราต้องละตัณหาตัณหาเป็นของที่เราต้องละจุกค่ะความทุกข์เป็นของที่เราต้องกําหนดรู้ทุกเนี่ยผู้ชาบอกคุณต้องรู้ให้จริง รู้ให้ซึงรู้ให้ลึกรู้ให้แห่งรับครอบแต่ที่ต้องทิ้งเนี่ยคือตัญหาอืม ค, คือบางคนก็บอกองนี้บอกว่าฉันอยากมีความสุขฉันไม่อยากมีความทุกข์เอาแค่ประโยคเนี้ยบ่งบอกถึงสภาพจิตที่ยังไม่ลึกซึ้งเลยเพราะอะไรเพราะว่าอยากมีความสุขใช่ไหมสุขอยากได้ทุกข์นี่ไม่อยากได้ทิ้งไปสิ่งที่เราต้องทิ้งเนี่ยคือความอยาก <c oughs> สแสดงว่าคุณมีแต่อยากนะเจ้า อ, อยากนี่คุณกลับเอาไว้สุขคุณจะทิ้งทุกข์คุณจะเอาเอ้ย ทุกคุณจะทิ้งสุขคุณจะเอาใช่มจะคแต่เอาความอยากไปด้วยแล้วมันจะไปได้ได้ยังไงจะค่ะสิ่งที่คุณต้องทิ้งกลับกันคื อ, อความอยากคุณต้องทิ้งสุขคุณต้องรู้ทุกคุณต้องรู้รู้รอบเพราะสุขกับทุกเนี่ยคือความทุกเหมือนกัน <folk NCAA S 2> คุณต้องรู้ให้รอบครอบแต่คือมันท้องก้อนเนี่ยมันบางบางทีมาติดกันอยากก็ติดกับความทุกขไม่อยากก็ติดกับความสุขความสุขความทุกความอยากความไม่อยากเนี่ยมันมาเป็นก้อนเดียวกันใช่ไหมบางทีเราไม่สามารถแยกออก ว่าอะไรเป็นอะไรฉ ะ, ะนั้นเราจึงต้องมีจิตเป็นสมาธิถึงจะสามารถแยกออกให้เห็นได้ว่าโอ้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร น, นะพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วคุณตื่นใจว่าอ๋อความอยากของทั้งความสุขทั้งความทุกข์นะเราปานออกไปความสุขความทุกข์จริงๆมันเป็นก้อนเดียวกันคือคือความทุกข์นั่นแหละเราต้องมารอบรู้รู้ให้รอบรู้ให้แจ้งรู้ให้จริงและโดยความที่ว่าเขาเป็นอะไรเขามายังไงเขามีประโยชน์ยังไงเขามีโทษยังไงอย่างนี้เราจึงจะเรียกว่ารู้รอบแะ้วพอรู้รอบอย่างเนี้ยคุณจะทํานี้ผ่านให้แจ้ง น่อนอนเนาะจุกค่ะอันนี้คืออุดมการ์ที่สองคือพูดถึงนิพพานจุกค่ะในนิพพานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้แจ้งจรงิจรงๆนะในนิพพานเป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งจุกค่ะอันดับที่สามพูดถ้าพูดถึงการอไม่ทําลายผู้อื่นให้ลําบาก่ไม่ทําไม่ทําร้ายผู้คนอื่นนะคนที่ไม่ทําร้ายคนอื่นเนีย่ยชื่อว่าบันปะชิตทำร้ายคนอื่นในที่นี้ก็คือทําร้ายอย่างเช่นว่าฉันไปด่าว่าเธอนะให้เจ็บเจ็บจบจับเสียเสียให้หาย ที่สาาคุณทําร้ายคนอื่นแต่คุณมีการวางแผนว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้คนมาทําอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้นเรียกว่าเป็นการมุ่งร้ายเป็นการทําร้ายค น, นอื่นเนาะก็คือเราไม่ไปหาเรื่องใครวางัเงนเถอะอันนี้คืออุดมการอันที่สามอุดมการอันหนึ่งอันที่สี่ก็คือไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นการไม่เบียดเบียนตรงนี้คือว่าไม่เบียดเบียนทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของเราด้วยนะ คืออย่างสมมุติพระสงฆ์อย่างเงี้ยเป็นผู้อยู่ง่ายอย่างเงี้ยถ้าเราไปเอ่ยปากขอ<ม>คนที่เขาไม่ได้ปรารณาเอาไว้อย่างเงี้ยก็ชื่อว่าคุณก็เบียดเบียนเขาเหมือนกันน ะ, ะเพราะฉะนั้นพอเราไม่บียดเบียนคนนี้เราจะทํำยังไงดีเราก็จะอยู่อย่างสบายใจของเราเพราะว่ามีความปรารถนาที่พอประมาณมีความปรารถนาน้อยอชีวิตของผู้ที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเนีย่ยสมมติเวลาให้ทานก็มีแตพระเจ้าถือพูดถึงบุคคลที่ฉลาดเนี่ยให้ทานเนี่ยนะก็จะไม่เบียดเบียนตัวเอง นะไม่บียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายต้องทํำยังไงเจ้าคะก็คือว่าต้องมีการบริหารการจัดการทรัพย์อย่างดีหมายความว่าคุณต้องทํางบประมาณร่วงหน้าแล้วนะคุณเอาเงินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพระเจ้าให้มีการแบ่งจ่ายทรัพย์ในการที่จะเลี้ยงตนให้สุ่มอิ่มน้ำให้เป็นสุขให้ถูกต้องเลี้ยงบุตรปรยาสามีนาทกรรมกรอมาดคนรอบข้างบิดามารดา ในะพวกนี้ให้อย่างเป็นสูขให้อิ่มหําให้บริหารอยู่อย่างเป็นสุขโดยถูกต้องอันนี้ข้อที่1ข้อที่สองคุณจะต้องเอาทรัพย์นั้นเนี่ยที่คุณหามา่ได้นในการป้องกันที่จะป้องกันทรัพย์อื่นๆเช่นว่าอย่างสมมติคนที่กลัวปัญหาน้ําท่วมอย่างเงี้ยคุณต้องแบ่งเงินคุณมาทำคันเขื่อนคันน ะ, ะอันนี้ถือว่าป้องกันทรัพย์จากน้ําท่วมอันนี้ควรทาอันที่4ี่ก็คือว่าต้องการใช้ในการพลีกรรมพริสละออกในการบูชาเทวดาบูชาคนดีบูชาคนพาลพวกนี้เราต้องแบ่งปันทรัพย์ พวกนี้ให้เขาแล้วอันสุดท้ายนี่ก็คือแบ่งปันให้สมณะในการที่จะเลี้ยงชีพของสมณะให้ให้ดีขึ้นแตถ้าเราทําอย่างนี้แล้วชื่อว่าคุณไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอืเวลาที่เราจะให้ทานนะนะจุคาตรงนี้ก็คืออุดมการณ์สี่อย่างความไม่เบียดเบียนเนี่ยมีในยักษ์มากจริงๆอิงตัวอย่างเรื่องการให้ทานนี่ก็ส่วนหนึ่งตัวอย่างเรื่องการรักษาศีลอย่างเงี้ยคือบางคนคิดว่าตัวเองฉันเองรักษาศีลแล้วฉันไม่เบียดเบียนใคร แต่ว่าดันไปยกตนข่มคนอื่นด้วยความที่ฉันมีสีลฉันมีสินมากกว่าเธอนะฉันสินแปเธอสินห<ะ>้าเธอไม่ดีหรอกอ น, นี้คุณก็ยังเบิดเบียนก็อยู่ถึงแม้ว่ากายวาจาคุณจะดีนะแต่จิตคุณยังมีความบิดเบียนอือันนี้มั น, ม, นมีแมง่ลึกอยู่เหนืหอเนาะแล้วก็ประการถัดมาจากเรื่องของอุดมการณสีใช่ไหมคือนี่คืออุดมการแหละอุดมการณ์ของคําสอนพุทธชาติเป็นอย่างนี้อุดมการณสีต่อไปก็พูดถึงหลักการสามอย่าง นัละการสามอย่างนี่ก็คือว่าไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์ไม่ทําบาปทั้งปวงเนี่ยก็คือว่าอะไรที่มันจะชั่วจะบาปจะเบียดเบียนคนอื่นเราเลาะละเละิกตั้งแต่เรื่องง่ายๆเลยคือกายวาจาใจเราดูไปก า, กายนี่ก็คือพูดถึงการไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม อนี่คือกายสามอย่างาชื่อว่าคุณละบาปละนะแล้วก็วัจีกรรมสี่อย่างคือไม่พูดโกหกนะไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคําหยาบส่นะอเสียดก็คือการยุยงนั่นแหละเนะาะเป็นผู้ที่อยู่ในวัจีก็เรียกว่าสัมมาวาจาจนะชื่อว่าเป็นพูดละความความชั่วละแล้วในใจหลักคืออะไร เราก็ละสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิละสิ่งที่เป็นความเพ่งเลงละสิ่งที่เป็นอยาบาตอย่างความเพ่งเลงที่เราเคยพูดถึงว่าอย่างคุณวางแผนพลเนธนาคารอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ฉกชิงวิ่งราวเนี่ยเขามองเล็งเลยนะใครเผลอฉันจะเอาแตฉันจะฉกกระเป๋าซึ่งเขาเพ่งเลงอยู่อย่างนั้นเนี่ยทําให้จิตของเขาเป็นจิตที่มีควมชั่วอยู่ <c oughs> ถ้าคุณละจิตชั่วตรงนั้นได้ปุ๊บก็เรียกว่าผลจากความชั่วในวินาทีนั้นละ่ะ <c oughs> ถัดมาพระเจาพูดถึงทํากุศลให้ถึงพร้อมนักกุศลธรรมในที่นี้ก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับสิบอย่างที่เราพูดไปเมื่อสครู่นั่นคือกุศลธรรมสิบอย่างออไอ้พวกนี้ยังรวมถึงว่าการที่เรามามีสติทําสมาธิมีศรัทธามีวิรยิยะมีเหรอตัปปะปัญญาพวกนี้เป็นกุศลธรรมทั้งหมด <Okay. S 1> อะไรที่อยู่ในมาร์เนี่ยก็คือกุศลธรรมหมดเรายังพูดถึงความเพียรพูดถึงศรัทธาพูดถึงสติพวกนี้ <Okay. S 1> นั่นเป็นเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อม รู้จ้าของเราอ่ะคุณเตืนใจตอนนั้นเป็นบริ ษ, ษัทอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไมโ้โพใช่ไหมเราก็มีความคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายนะไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายคุณเตือนใจตอนนั้นเนี่ยพระองค์มีสีนเต็มที่แน่มีสีน ม, มีสมาธิมีปัญญาละ่ะ เ, เอ๊ะแล้วทําไมกุศลธรรมในอย่างอย่างที่เราบอกว่าการรักษาสีนี่คือพระองค์มีแน่ตอนนั้นแต่ไม่อิ่มไม่พอคือปรารถนาสิ่งที่เป็นกุศลกว่ายิ่งยิ่งขึ้นไป จึงบรรลุปเป็นพระอรหันต์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกไปชัดเจนว่าพระองค์เนี่ยเจริญอานาปานสติเจริญอิทธิบาทสี่ 7, จเจริญโพชฌงเจ็ดเจริญพวกสมบัติทานสี่พระห้าอินทรี่ห้าพวกนี้ทั้งหมดในเวลานั้นแสดงว่าไอ้หมดทำเหล่าเนี้คือการทํากุศลให้ถึงพร้อมอืมจ้กค่ะอ่าซึ่งซึ่งลหลายๆคนไปเข้าใจว่าไอ้ทาสมาธิก็ตามะหรือว่ามีโพชฌงอย่างเงี้ยไปอยู่ในการทําจิตให้บริสุทธิ์ ซึ่งในความเห็นของตัวอรมาเองเนี่ยคิดว่ามันจะต้องมาอยู่ในการทํากุศลให้ถึงพร้อมะส่วนทําจิตให้บริสุทธิ์คืออะไรนะคือการที่เราจะต้องวางวางแม้ส่วนที่เป็นกุศลเพราะว่าอย่างสติเนี้ยสตินี่เป็นของดับได้นะคุณเชิญใ จ, จสมาธิละ่ะดับได้เออแล้วโพชฌงละ่ะไม่ต้องพูดถึงดับแน่นอนสทัทธาละ่ะก็ไม่เหลืออะไรที่เกิดมานี่นะมีการเกิดเกิดขึ้นเนี่ยหมายหัวไว้เลยดับได้แน่นอ น, น, นอืมจุ๊กค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าอะไรที่เกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีนะของทั้งหมดในโลกเนี่ยเป็นของเกิดดับนี่ยออกเนาะเพราะฉะนั้นศรัทธาก็ตามเรียกสติสมาธิปัญญามร์กนี่เป็นเป็นแค่ขนทางซึ่งตรงนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับพ่วงแพรพ่วงแพรเนี่ยเราลอยลายไปตุเลงตุเลงไปใช่ไหมพอไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยคุณต้องทิ้งละ่ะดับได้คือเราสร้างแพรมาเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเราหนีงูมางูมันตามได้กัดเรา ตามไล่กัดงูงูตามไล่กัดมาไปเจอโจรเราหนีโจรอีกโจรตามฆ่าเราโจรตามฆ่าเราไปเจอโจรคนที่หกโจรคนที่หกก็ตามฆ่าเราอีกจนกระทังไปเจอบ้านบ้านหนึ่งเหมือนกับจะหลบภัยแล้วแต่ปรากฏมีโจรจะเข้ามาฆ่าเราในบ้านอีกมีพวกเพิชชาต์ตามมาเราก็หนีไปอีกจนกระทั่งไปเจอถึงฝั่งแม่น้ําฝั่งหนึ่งฝั่งแม่น้ํานี่โอ้โหแม่น้ำกว้างมากแล้วก็สะพานก็ไม่มีเรือก็ไม่มีแพก็ไม่มีทํำยังไงเขาก็เลยไปอ ตัดหญ้าตัดไม้กิ่งไม้พวกเนี้ยมารูปรมเป็นแพร่คคพอมารวมเป็นแพร่แล้วก็พยายามไปด้วยมือกับเท้าวักวั ก, ว ก, ว ก, ว ก, วกน้ําไปจรก็ต้องไปถึงฝั่งนูน้นสุดลนะนะทําไงแบกแพร่ไปด้วยนะหรือว่าอขนแพร่แบกขึ้นบ่าไปด้วยเขาจะท้ทํางา น, นไม่คุณเดินใจว่าโดยมากจะไม่ค่อยทำายู่จะจอดไว้ที่ด้านเอ่อทิ้งไว้เฉยๆแล้วมันก็ปล่อยให้ลอยตามน้ําไปจ้าค่ะนี่คือลักษณะของอุปมาอุปไม้ที่พเช้ายกขึ้นเปรียบเทียบว่า เวลาที่เราสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมเรือแพเนี่ยพอใช้ประโยชน์มาเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไปเหมือนกันสติสมาธิวิรยิยปัญญาศรัทธาพวกนี้เราทําให้เกิดขึ้นพอเราบรษย์แล้วนะคุณก็ทิ้งไปนั่นคือการทําจิตให้บริสุทธิ์จ้าค่ะ น, นนะนั่นคะือการทําจิตให้บริสุทธิ์ในในื้อหนี้นะเจ้าค่ะทีนี้ต่อไปอไปถึงจุดที่เรียกว่ า, อ, าอุดมการเอวิธีการทั้งหกอย่าง นั่นคือในคาถาแค่ว่าโอวาทปฏิโมกษ์สั้นๆแค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยนะไม่ถึงหน้ากระดาษหรือประมาณครึ่งก้านกระดาษกว่านี้เองเนี่ยนะรวบรวมไม่หมดโดยแนววิธีการหกตรงนี้ก็คือว่าการที่ไม่กล่าวร้ายใครไม่โจมตีใครค่ะอย่างเช่นว่าเขามาบอกว่าโอ้ชาสนานั้นพูดอย่างนี้นะหรือว่าพระองค์นั้นพูดอย่างนี้นะทํำไมสั้นว่าอย่างนี้ล่ะแล้วคนหนึงเขาก็ว่าอย่างนี้ไม่เห็นตรงกันเลยจะทำไงดีถ้าเราบอกว่าคนนี้ถูกคนนี้ผิดนะแม่คุณผิดเลยเจ้าค่ะ พรอย่างรายการธรรมะราปรุนเนี่ยเราก็ถึงหลักการเฉยๆล้วก็ไม่บอกว่าใครผิดไปถูกซึ่งเราเพราะเราไม่กล่าวร้ายใครใช่ไ่มมันก็จะเป็นหลักธรรมะของพระเจ้าอยู่แล้วซึ่งพระองค์ก็ไม่กล่าวร้ายใครแล้วก็อันนี้คือวิธีการปฏิบัติข้อที่หนึ่งวิธีการปฏิบัติข้อที่2อีกก็คือไม่ทําร้ายใครแตไม่ทําร้ายใครนี้ก็คือพูดถึงเรื่องทางกายกล่าวร้ายก็คือเรื่องทางปากแต่มาคือเรื่องทางปากกับทางกายเนี่ยเราให้นิ่งเอาไว้ มือไม้อยากขยับปากก็อยากขยับน ะ, ะอันนี้คือสองอย่างแรกคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าไปเกณฑ์คนด่าว่าเขาถูกก ร, ระทุบตีเขาเพื่อให้เขามาทําสิ่งอะไรที่เราต้องการเนี่ยนะเจ้าค่ะนะซึ่งซึ่งเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเนะี่ยอยากให้ทําอย่างนั้นเพราะมันจะผิดหลักการผิดวิธีการเจาค่ะอันที่สนั่นคือให้มีความสารวมในปาติโมกนะคือรักษาศีนว่า ง, งั้นเถอะนะปาติโมกในที่นี้หมายถึงศีนของพระศีนเบื้องต้นของพระ ซึ่งถ้าเราจะพูดแล้วมันก็จะมีหลักๆอยู่เช่นว่าปราริที่สี่อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ผิดปราริที่สีก็ชื่อว่ายังอยู่ในอพอที่จะรักษาความเป็นพระอยู่ได้นะโจค่ะทีนี้โยมอยากขออนุ ญ, ญาตถามแทรกตรงนี้นะโจค่ะพระอาจารย์้จค่ะว่า อ, อย่างสมมุติว่าคงจะมีพระหลายองค์นะโจค่ะมไม่สามารถปฏิบตัติตรงเมื่อสักครู่นี้ที่พระอาจารย์พบุญได้เมตตาชี้แจงมานี่ ถือว่าพระเหล่านั้นนี่หมดซึ่งความเป็นพระไหมเจ้าคะหรือว่ายังไงเจ้าคะอจะเป็นพระอยู่ได้หรือไม่เนี่ยก็มันตั้งแต่ตอนบวชนะเจ้าค <c oughs> ่ะสมมติว่าท่านบวชมาถูกอันนี้ก็แสดงว่ายังยังโอเคอยู่แต่ท่านบวชไม่ถูกนี่คือต้องให้สึกไป <c oughs> มสมมติว่าพวกที่บวชถูกแวบวชถูกมาแล้วอาจะด่าว่าบ้างมีวาจาไม่สุภาพ อ, อะไรบ้างเนี่ยก็ถ้าไม่ผิดศีลปาราชิกนะสี่ข้อ ก็<จ>ยังถือว่ายังไม่หลุดจากความเป็นพระสงฆ์บา<จ>ราชิกสี่สี่ข้อนี้ก็คือว่าไม่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันอ<จ>ยุ่งฆ่าสัตว์นี่ยังไม่ถือว่าผิด<จ>ขนาดว่าปาราชิกสี่ต้องออกจากความเป็นพระอหรือว่าเป็นผู้ที่เสพเมถุน<จ>มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับชายกับหญิงก็ตามนี่คุณก็หมดจากความเป็นพระหรือว่าอวดคุณธวิเศษที่ไม่มีในตนตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่คุณก็อวดเข้าไปอันนี้ก็จะโดนเหมือนกันแต่ถ้าว่ายกเป็นผู้ที่เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุ สมมติว่ามีพระรูปหนึ่งเข้าใจว่าตัเองชันเป็นพระอาหารสิ่งที่บอกคนอื่นว่าชั้นเป็นพระอาหารชั้นเป็นพระอาหารแต่สุดท้ายมาวันหนึ่งเพราะว่าเอานี่มันไม่ใช่เราสำคัญผิดอืมเจ้ค่ะแล้วที่บอกไปแล้วนี่เรียกว่าอุดมุนวิเศษไหมก็ไม่ถือว่าผิดศีลข้อนี้นะเจ้าค่ะเป็นข้อยกเว้นสําหรับผู้ที่สําคัญตัวอยงว่าได้บรรลุอืมเจ้ค่ะแล้วข้อสุดท้ายก็คือผู้ที่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ามนุษย์ใช่ไหมเจ้าค่ ะ, ะไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่อุดมุนวิเศษที่ไม่มีหน้าตัว อีกข้อนึงก็คือการไม่ขโมยของจกค่ะไหนะจะเป็นของคนอื่นก็คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้า ข, ของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยจกค่ะอาการแห่งขโมยนะเราะฉะนั้นถ้าไม่4ี่สข้อนี้ท่านนั้นก็ยังมีความเป็นพระอยู่จกค่ะถคือผิดอย่างอื่นเนี่ยมันพอแก้ได้จกค่ะอย่างเช่นไปแตต้องตัวหญิงคุยซิกซี่เล่นหัวสะพายหรือว่ า, าทําอะไรไม่ถูกอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะด่าว่าคนอื่นเสีย ห, หายอันนี้มันเป็นอาบัตที่จะต้องแก้จกค่ะแต่ถ้าเพื่อเขาไม่แก้จะเป็นไง เขาก็จะเสื่อมเองลงไปเรื่อยๆคนก็จะไม่เนับถือนะเจ้าค่ะทรัพย์ทำของท่านเนี่ยจะไม่ผ่องแผ้วเจ้าค่ะท่านพุทธเจ้าพูดถึงบุคคลที่ด่าบริภาดเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเนี่ยนะเจ้าค่ะจะมีโทษอยู่สามสี่ประการคือรทรัพย์ของตัวเองเนี่ยจะไม่ผ่องแผ้วจุกค่ะหรือว่าถ้าเรามีคุณธรรมอะไรอยู่จิตเราสมหวังสว่ายอยู่เนี่ยมันจะเริ่มอ่อนลงอ่อนลงอันที่สองก็คือว่าเราจะเป็นผู้ที่เข้าใจตัวเองว่าได้บรรลุเจ้าค่ะเกิดจะคิดว่าตัวเองได้บรรลุไปแล้วอืมเจ้าค่ะอ อืมเจ้าค่ะซึ่งพอในกรณีของคนที่ยังเป็นพระอยู่เนี่ยถ้าผมว่าเรามาปฏิบัติตามนี้น ะ, ะในโอวาทาปติโมกเนี่ยเจ้แม่คือพระเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้นําในาศาสนาเนะีคุณใจเจ้าค่ะแต่ผู้นําของมหาชนหมู่มากพระเจ้ชาจึงบอกว่าถ้าพระรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะมีมิจฉาทิฏฐิไปผิดทางแล้วเนี่ยนะโอ้โหจะเป็นไปเพื่อความเดือดร้างของชนเป็นอันมากเจ้าค่ะแต่ถ้าพระรูปใดรูปหนึ่งหรือพระกลุม่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพระเทรศกดีพระมหาเทรศกดีเนี่ยมีทิฏฐิที่ถูกต้อง แนวะเที่ยวสนับสนุนในเรื่องของสัมมาอริวัตสมาสติอย่างนี้นะก็จ ะ, จะเป็นประโยชน์แกมหาชนเป็นนันมากอืเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอโอวาทปฏิโมกซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งจี้แจงแสดงธรรมเหมือนกับได้ ประชุมแล้วก็มอบนโยบายต่างๆเหล่านี้ในการเผยแผ่ศา ส, สนา ใ, ให้กับพระพิสุขซึ่งก็เป็นรวนเป็นพระอริยสงฆ์เจ้าที่ปรงทรงบวชให้ทั้งนั้นจำนวนพันสองร้อยห้าสิบรูปที่ได้มาประชุมกันพร้อมกันในวันเพนเดือนสามก็คือวันเพงเดือนมาค บ, บูชาซึ่งจะมาถึงในอีก สองวันข้างหน้านี้นะเ <ừ> จ้าคะ่ะทีนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี่ประมาณสักสองสานาทีนะเจ้าคะโยมอยากขอความเมตต า, าเรียนถามพระอาจารย์ภั ย, ยบุญอภพิพุโนโนเจ้าคะ่ะว่าพระอาจารย์จะเมตตาที่จะสาคัญฉาหรือว่าให้คำแนะนำอย่างไรแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนซึ่งก็ยังเป็นคราวะาอยู่นะเจ้าคะในการที่จะน้อมนาเอาคาสอนหรือว่า สิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกล่าวไว้ในโอวาทปฏิโมกทั้งหลักการอุดมการสี่หลักการ3แล้วก็วิธีการ6นี้มาปรับใช้กับชีวิตคารวะเราอย่างไรจึงจะทําให้เกิดความสงบสุขความสุขความเจริญเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะถ้าจะพูดถึงการบริหารจัดการองค์กรก่อนก็ได้เจ้าค่ะในสำหรับคารวะทั่วไปคือคุณต้องมีหลักการวิธีการแล้วก็อุดมการณ์อย่างนี้เหมือนกันเจ้าค่ะอย่าให้หนีไปจากนี้สมมุติคุณจะทําบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เรื่องความอดทนสําคัญนะจกค่ะมันมีคู่แข่งอยู่มันมีหน่วยงานอยู่มีคนที่ไม่ชอบเราอยู่แลต้องอดทนอาไว้จค่ ะ, ะข้อนี้คุณจะมีในในหลักการทํางานอุดมการณ์ของบริษัทของคุณในวิธีการสามสี่อย่าง6อย่างพวกนี้แลคุณจะต้องมีในอุดมการณ์ในบริษัทของคุณค่ะอันนี้คือเรื่องขอคนที่จะจัดการบริษัทถ้าพูดถึงคนแต่ละคนแต่ละบุคคลบุคคลบุคคลเนี่ยคุณเอาความขันติเอาข้อแรกเลยสําคัญมากจริงๆทำไมเงินผู้ชาจะไม่ยกขึ้นมาก่อน ให้เราเผชิญปัญที่มีความอดทนมากๆนะอดทนจะอดทนด้วยความสุขหาปฏิปทาก็ได้จะอดทนด้วยความทุกข์หาปฏิปทาก็ได้ทั้งนั้นจุกค่ะแต่มันเป็นอำนาจจิตที่เราจะต้องคอยผลักดันคอยปรับคอยแก้ก็แล้วกัน จ, กจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาได้แนะ่จุกค่ะจุกค่ะก็ขอกราบน้มสักการขอพระคุณพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโน แห่งวัดป่าดอนหายโศกไว้เป็นอย่างสูงยิ่งนะเจ้าคะที่ได้เมตตาที่จะมาสาชาหรือว่าชี้แจงแสดงธรรมให้เห็นถึงความสำคัญและคำสอนตามโอวาทปฏิโมกข์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชงได้ทรงชี้แจงแสดงธรรมไว้แต่ประสงค์จำนวน1250รูปที่ได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันเพ็ญเดือนสซึ่งว่าเป็นเรียกว่าเป็นวันมาคบุชา ก็ขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะอีกไม่กี่วันคืออีกสองวันเท่านั้นก็จะถึงวันเพ็ญเดือนมาคาบูชาแล้วก็ขอให้ท่านทําจิตให้ผ่องแผ้วอย่างที่พระอาจารย์ภพยบุตรอภิปุโนได้ได้ชี้แจงมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็แน่นอนชาวพุทธเราก็คือเวียนเทียนในตอนข้ามด้วยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตของเรานะคะ ข่าวสำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำาัมโมฟังกราบนรมัสการขอพระคุณและกราบนรมัสการลาพระอาจารย์ไพบรุ่อภิปุโน ท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธ์ทิภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกนะคะพระอาจารย์ไปบุญเป็นพระผู้อานวยการหลักสูตรการหลีเกเล้นปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนหายโศกค่ะก็ขอกราบน้ำสการท่านและขอกราบขอพระคุณอย่างสูงนะเจ้าค่ะกราบน้ำสการเจ้าค่ะจสาธุเจ้าค่ะ